ท, ที่พไบบุญย่มจะเข้าใจในรู ป, ปากายที่ใจเราอาศัยอยู่ในบัดนี้รู ป, ปากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ ธาตุใหญ่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศเสีธาตุอยช่องว่างทุกทุกส่วนอากาศเสีธาตุเขาออกขยายให้ธาตุลมออกทั่วเสืาอาไก่ท่าน ตัดไว้ว่าอากาศธาตุเราโน้มนนมาพิจรารณาก็มีอยู่ในกายนี่แหละจัน ต, ตัดไว้ที่เราสวดมนต์ท่องบทวิญญาณธาตุธาตุสาคัญมบางกันเป็นองค์กรของใจเหนเราตาดี เจนิรเรตามความเป็นจริงของสิ่งที่ผ่านทางสายตาสิ่งที่มีคุณค่าก็นำมาให้ได้ประโยชน์สิ่งที่ไม่มีคุณค่าก็สลัดออกไปคือหมายถึงวิญญาณาธาตุนั้นประกอบไปด้วยสติสติและสัมปชัญญะเป็นคู่กันไป บางแห่งท่านแสดงไม่ว่ามันสติมันเท่าช้างเท้าห น, น้าเาท้าหน้าก้าวไปเท้าหลังก็เดินตามเพรานสัมปชัญญะควบคุมเดินตามสติควบคุมจิตสัมปชัญญะก็รู้จิตรูจิต มันแนบสนิทกับอะไรท่านจึงไขความให้ลมหายใจครับลมหายใจในี่สำคัญทำให้ชีวิตเป็นอยู่จะเป็นอยู่ดีเป็นอยู่เสียมันไปมันเป็นไปตามกรรม ของเราที่เราทำไว้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราละเอียดอ่อนเราจดไว้ใจอยอังก็จดไว้ถ้าไม่จดก็ไม่จำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดสรู้นั้นทะลงตรงจำโดยอาศยวัตถุ พระใจของพระพุทธเจ้าส่วนเสียมาซึมซาบไม่ได้มีส่วนดีถือว่าพระองค์มตบกบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ด้วยพระธรรมมีสุดใจธรรมอาสันตาโนอนุตตายมโมทิญาโยคโตจามโมทาจามุตโตมุตโต ท, ทิาญยเติ พระพุทธเจ้ามีพระไตรบริวูลด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์นีเต็มที่นี้แต่ตีความหมายของพระธรรมทุกๆอย่างบริสุทธิ์พระธรรมคือหมายฝ่ายดีครับเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลผู้ใดบุคคลนั้นใจบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากสนิมคือกีดขัดความมริสุทนั์อันนั้นอันอกมาเหมือนทองคําทองคําเป็นธรรมาชาติที่ใสสะาดรับเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทุกชั้นประเทศใดมีทองคํามากถือว่าประเทศนั้นเป็นเศรษฐีขึ้นมา มั่งคัง่งรวมสมบูรณ์เพนหลวงตามมาบัวถึงท่านเชิญชวนให้ผู้มีสตตาหรือผู้ที่มามีบารามีเคยสร้างบารามีกับท่านรวมกันรวมง่ายตรงทงำ หรือเป็นอย่างยืนก็เลขเป็นทองคำเขาต้องโง่หลอมทองคําเป็นก้อนเดียวไว้เป็นหลักของของชาติมันเราสร้างความดีเนี่ยเป็นหลักความดีของชาติครับที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะความดีเนี่ยแต่งให้เกิดแต่เราพิจารณาไปพิจารณาไปเราจะเข้าใจ เราไม่ต้องสงสัยในความเป็นชีวิตของเราประจำวันเราเป็นอยู่ดีแล้วให้เรามีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าหาได้ยากแล้วเราก็มีอยู่แล้วความเป็นมนุษย์ครับในดินสินในน้ําหรือต้องการความรู้ อะไรที่เราจังบีบเร่งสงร้างสร้คให้เกิดขึ้นในในใจของตนเองคือใจเป็นรูเก็บเก็บความรู้ความฉลาดแล้วติดไปหลายอบหลายชาติเป็นของเอาร้อยเปอร์เซนทรัพย์สมบัติไปนอกเป็นของอยู่คู่กับโลก ผู้ใดมันเป็นทานไวมากผู้นั่นก็ไปเก็บผ ม, มไปไปเก็บผลประโยชน์เอาเหมือนเราเก็บพืชไว้ไปพเพาะปลูกข้าวแตกรากแตกโหนแตกรากออกไปเือจนแตกกิ่งก้นกานสขาขาพริใบ พีดอกออกผลเม็ดมัม่วงเพียงเม็ดเดียวให้เป็นหลายสิบต้นก็ได้เหมือนกันเห็นเขาออกอากาศให้ฟังความดีมันก็แผ่กระจายออกไปครับเราสามารถกระจายความดีไป ในใจของบุคคลทุกคนโลกก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับให้เข้าใจในชีวิตเป็นประจํา น, นอยู่เป็นอยู่ประจําวันอย่างเราส่วนให่ยังก็มีกายนี้แลยมันมีอยู่นี่พิจารณาของที่มีอยู่เลยนะของที่ไม่มีพูดแต่ไม่ได้ ุทางปาร า, าเบื้องบุญแต่พื้นเท้าขึ้นไปนะเนี่ยาโทเกสมาตาแต่ปลายผมลงมาตาจ า, จาไปบริยันโตมีหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบปุโปรโนนับประการศสาสุจีโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนไม่สาดังไมในกายนี่ รานนังหูไหวตนนะัวนะหลังไลอยกวันใดกินลมหายใจก็เหม็นเป็นขี้ตาขึ้นมาก็เหม็นเป็นขี้หูเป็นขี้จมูกเป็นขี้ฟันเป็นบุญเท็ไกาย หลังไหลทั่วสรารพัดกายแลว้วเอาใส่ฟอกน้ำามีสแชมพูทูเมีไรทาผิวเพื่อให้มันดูผิวมีผ้าห่มไว้ผ้าก็ต้องฟอกต้องซักต้องถากต้องอะไรเก็บหลายๆายประการเกษารผม วันที่จะท่านสอนว่ากรรมฐานกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งเองการงานครับท่านเน้นให้เห็นของที่มีอยู่แล้วนี่แหละน้ําตั้มตรงไหนอันน้ําบุ่งตรงนั้นแต่เราเข้าใจในรูปกายของเราแล้วเราก็สบายตรงนั้นมันแก้ปัญหาอะไรก็ได้ นกขาเล็บโลมาขนทั่วทั้งรางกายท่านสอนทําไมไมีอยู่แล้วท่านสอนอย่างนั้นที่เราสวดม น, นั่นอย่างผู้คำมั่บวชผู้ที่พูดเป็นใบชายะก็สอนอย่างนี้แหละเราเป็นอุปายชายาอีกเขสอนอย่างนี้สอนกันมาอย่างที่ของมีอยู่แล้วเนะี่ยพูดกันของที่มีอยู่แล้วไม่จุดไม่ไม่ไ ม, ม่จุดจบแล้ว ยังมีรู ป, ปรกายบริงารกายอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจุดจบอยู่ที่ไหนนักขาเล็บต้องตัดเล็บแต่แม้มันตกกระปกไปยิบอะไรก็ตกกระปลกต้องคัดต้องคูต้องล้างชํระล้ า, างเป็นของบริกุณเป็นที่รังเกียด แต่คนไม่เข้าใจรังเกียด้จริงมันอาศัยได้รรักษาจริงมันไม่เราพูดเราเองเป็นข้อดีหน้ารังเกียด mm hmm. เพราะมันลังใดออกจากภายในเราก็ท า, าภาพขกงฉันไปผ่านคุกเข้าแต่าคายออกมาเป็นรากมันก็ใสิใสเยน ผ่านไปดันตาฟันปันก็นเหมือนกันตรงขัดตรงแปลงปันผู้ันจำระร่างสุขลพเหม็นหายใจออกก็เหม็หนจมูกเป็นเครื่องบงบอกจมูกก็ไม่ได้หลอกเพราะเป็นความเป็นจริงของรู ป, ปรกายอันนี้เราไ้เข้าใจในรู ป, ปรกายหน่อย ที่จะนาไปไม่ก็ใครอยู่ปัจฉมิ่งไปในเบื่อนานในรูปเป็นพราเวปัญจัตขันธา์าเป็นพราจริงๆปัญหาโลกที่ยุ่งยากเวลานี้ถึงต่อไปก็ อ, อีกถ้าเราไปไม่เข้าใจในรู ป, ปรกายของตัวเองไม่เข้าใจในในรู ป, ปรกายของบุคคลอื่นก็มีปัญหาตลอดไปแต่เรามีเข้าใจแล้วไม่มีปัญหา แต่ปัญหาด้วยสติปัญญาขึ้นมาพิจารณาถ้าโจหนังที่หุ้มอเพื่อไม่ปุกโพโลงหิตไหลออกถ่าอะไรมาบาดมาเป็นเป็นหนองขึ้นมาปุกโพเป็นหนองมังสังเนื้อ ร่างกายคนเราเหียวกข้ไปเหียวเข้าไ ป, าไปคนแก่มีกำลังน้อยเหียวหนังเป็นกรีบมันกรีบไม่ได้มันกรีบจมโอเป็นกรีบเป็นแก่แล้วว่าไม่เมื่อเนื่อหนังของคนที่ยังเป็นวัยอยู่ในปฐุมวัยแต่คนเข้าใจสิตมื่วันนี้อย่างคุณก็ปวดคอตายอย่างนี้เป็นต้น เป็นก่อนเองดำจิตมันดํำนิสัยคิดเห็นผิดว่าเป็นอุบายทางให้พ้นจากทุกข์แก้จากทุกได้มันแก้ผิดฮะเพราะความเห็นผิดไม่ได้ศึกษาให้รู้ในสิ่งอนนั้นจึงจิตนั้นตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสกิเลสเป็นผู้ดึงไปครับ นาฮาูเ อ, นอ็นอธิกระดูกกระดูกต่อต่อต่อต่อต่อกันเฉยๆทีนี้ก็ทำรูปเียมรูปเจงก็เหมือนกนะันต่อกันเอน็นนันรัดเนื้อมันจับแล้วเอ็นรัดไม้เป็นกฏธรรมเป็นกรรมี่รัดไม้ คือความดีเสกสรรที่เราทำความดีเแต่เราความดีก็มันมีทําสัรปฏิของรู ป, ปากายสรรปติสืบต่อบุญญาพิสังขารบุญแต่งจึงตั้งตรัดให้บำเพ็ญบุญไวอัิอัติมินชังยื่นในกร ะ, ะดูก กังมัมาอาจจะยังหัวใจปรับผาสังโปรดพันตังไสใหญ่อาจจยังไตาอาจจะยังหัวใจปรับผาสังโปรดพันตังไสใหญ่อันต้องนังไ ส, น, งสน้อยไสยรัดไส mm hmm. เราไม่ไม่ไปไมยมมาในแพทย์ก็ต้องที่เขาพาออก เองภายในในแพทย์ก็ต้งศึกษาบางคนจึงอุทิตร่างกายนี้ให้จะโรงยาบาลเพื่อเขาศึกษาวิชาทางแพทย์ดางน้ำดีเหมังน้ำสเสจน้ำสเสดมันก็เกิดขึ้นบางกามันก็หายไปออกเป็นสัจธรรมถ้าเราไม่หวนไว้ก็ ทำใจเนาะไม่เห็นเป็นธรรมคือเป็นเป็นอาการของอาการสามสิบสองมัก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยถอดตันตัดไปด้อาการสามสิบองภูมิโบน้ำเหลืองบางกายก็เป็นน้ําเหลืองเซโนน้าเกือเมนอน้ํามันข้น อัดสูบางทีเดินเดินน้ำตามันไหลออกมานอนนอนกัน้ำตาไหลออกมาเป็นธรรมดาดีใจก็น้ำตาไหลเสียใจก็น้ำตาไหลเป็นกฎสัจธรรมในองค์ในอาการสามสิบสองอัดสูเรีวยกว่าน้ำตาวาสุน้ำมันเหลวบัว เกโรน้สิงกานิกานามูกราธิกาน้ำไก่ข้อพิจารณาแต่ เ, เราจเจริญกันมาฐานท่านสอนให้เราทำเฉยเฉยไอรู้รู้ไมยใจอ่านหนังสือของท่านพ่อเราไม่ต้องรู้อไรไมากไอรู้รู้ไมยใจ รู้ลมหายใจลมหายใจธรรมดานะก็มันทงสังขารไวใ้ให้รู้ว่าสังขารยังเป็นอยู่แต่เรารู้ลมหายใจนะคือทำใจของเรามีธรรมะคือสติและมีองค์ภาวนาภาวนาฐานาที่บายว่าถ้าเรารู้ลมสติก็เรียกอานาปานาสติกรรมฐาน ฐานพิธีตั้งเองสติคือลมหายใจทําไมถึงต่้งสอนดังนั้นก็เพื่อให้รู้คุณค่าของชีวิตที่เป็นอยู่ดีนี่แหะชีวิตที่ต้องเป็นไปอย่างไรต้งให้รู้ว่า น, นี้คุณค่าของชีวิตมันก็ไปทั่วไะในหลักธรรมตะนาวิตคือรึกตรึกอยู่กับลมหายใจ ดันปัดถอไว้ดังนั้นวิจารณพิจาราซองทั่วไปถ้าจิตเข้าฌานดึงแล้วยานเกิดขึ้นซองกราจกายพิจารณากรชจกายทุกทวนในกราจกายที่อาการที่เราสวดมนต์มาผ่านพ้นมาที่เนี่ย รวมกันหมดเดวยกาบรัช ก, กายเป็นกายสำคัญเป็นกายสิสธิขึ้นมาแต่เราจะเริยนสมาธิจิตมันสงบระงวครับดับสัญญาสัญญาอาดีต ท, ที่ล่วงแล้วไม่ไปอนาคต อ, อยู่ในปัจจุบันจิตสงบระงครับเน็แน่ มียานขึ้นมาตัากทิปปุเพในวาสานสิยานถ้าจิตนุ่งแนวยังรู้ยานขึ้นมามันตัวเหตุครับมันเอะมาจากไหนก็รู้จากเหตุเลยครับถ้าจิตสงบระงรับดับสัญญา ไม่เสียสายไปนะไปลองอยู่กับลมหายใจอย่างยานอย่างรูปการรัชกายคือกายทั้งหมดที่ก็การรัจกายเห็นเห็นอุเพในวันเห็นชาติโกนเคยกินพบกี่ชาติท่านนั้นจึงว่าทำมันลูกตารู้จักเหตุธรรมะมีถึงแปดหมื่นสี่พันประดมมากัน การตัดเป็นหมวดหมวดขึ้นมารู้จักเหตุเรารู้ตัวกองเราเหตุมาจากอะไรเรารู้จักเหตุที่เราเกิดมาเนี่ยเหตุอะไรทรงให้มาเกิดเห็นเหตุเหตุคือการทําความดีหลายอย่างเมื่อเราทําความดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ทำความดีในในในอดีต ท, ที่ร่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันเป็นเครื่องส่งให้มองเห็นอนาคตทึ่วันนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้อนาคตพอพรุ่งนี้กวันนี้ก็เป็นอดีตขึ้นมาแล้วอดีตกับอนาคตเป็นเครื่องบ่งบอกแสดงถึงคามเป็นจริงใจของเหตุปัจจัยอยู่ ถ้า ง, งันเด็กคนตัดเรียกว่าทำมันยุตาดูตาเหตุอัดตันอยู่ตาดูตาผลอยู่ผลดีแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามันเลิศเลยอะไรใดถ้าเราเอาปัจจุบันมาทำเป็นมนุษย์เราจะเอาเป็นเทวดาสั่งเทวดาขึ้นเป็นชั้นชั้ชชออกเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ เราไม่ต้องกลัวอะไรแบบือเราจะเป็นป้าย่ดงบุคคลเราจะอยู่กับโลกเทาไม่ได้ไม่ได้<ม>อยู่กับโลกก็บ้ายอย่างนี้แหละ<ม>เปลี่ยนไปกิเลสมันหมดไปสิ้นไปยิ่งเบาไปเรื่อยเลย<ม>ยิ่งีิเลสหมดไปหมดไปปัมมัตจันรกิจในจิตของเราก็เบาคื่เราเอาสิ่งที่เราเอาเป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชนก็ทิ้งไปทิ้งไป มันในกายของเราอะไรที่ไม่ได้เป็นอยู่มันก็ทิ้งไปมันสลายไปในอริยาสาัจอง์อริยาสาัจจจางโกสละขึ้นกายที่เราอยู่ได้อยู่นี้ปัจจันบนี้มันสลายได้จางโกตัวสลาจาโกเป็นฉลาขึ้นไอ้ดมบขึ้นไปเลยคือในโลก้าไป มุดพ้นไปเลยอมารายโยไม่มีความอะไรของไม่ดีไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีคุณภาพอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วทั้งหมดอะไรความแบบทุกข์เพราะะนั้นยังไงรู้เหตุรู้เหตุ ร, หตรู้ผลอัตชันรู้ตารู้จักผลผลเราทำความดีพอ เ, เห็นผลเรามองเห็นอันดี ผลในปัจจุบันเห็นความดีเรามีกำลังใจพลังของกายพลังของใจเราทำความดีในนิทิกันดาสูตรนิทิงนิเตีิปุริโสคำพีเดมดากันติเกสัจเจตเถระเม ถ้าไม่เรา จ, จะโต ว, ว่าดูรู้จะทำฝังวุ้ทัพบางทีอาจจะเป็นอันตรายไว้แต่ว่าฟังวุ้นทัพไว้ในศาสนาเนี่ยเนกเราทําความดีให้ความดีแก่เราเนี่ยสุรุปรตาให้ได้รูปที่ดีขึ้นมาเขีนบุคคลบำเพ็ญศีลเป็นเอฏาได้รูปรตาสุรูปรตาท่านตรัสไว้ดังนั้น สุรตาสุราตาความเป็นผู้เสียงดีสุสุความเป็นผู้มีเสียงอย่างจะไม่คนเป็นเสียงนะครับเป็นผู้ที่สร้างเอาเองเนั่นแหละครับคนอื่นสร้างให้ไม่ได้มันเป็นมาเอง เ, เป็นด้วยความดีที่เราทําไว้หรือจึงเป็นจึงมีกําลังใจในการสร้างความดีให้เกิดตัวเอง สุสัญทานังความเป็นผู้มีรูปชนสวนสุรูปตามมีรูปสวยทิปจังความเป็นเป็นยิ่งใหญ่บริวารโภความเป็นผู้มีบริวารมากคนที่มีบริวารมากก็ต้องสร้างบารามีเดียกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเนี้เป็นใหญ่ทั้งแผ่นดินเนย เป็นบริมาณของพระองค์ทางนั้นและมีไอคิวอย่างในหลวงของเราเนี่ยทรงมีไอคิวทำตรงทําบุนเทียมก็ได้ได้ก็ได้พระองค์ทรงแก้ปัญหาเวลามีปัญหาต่างๆพระองค์ทรงแก้ปัญหาพร้อมพระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรมดานังทรงบําเพ็ญทานศีลังทรงบําเพ็ญศีลมีปัญหาพระองค์ทรงสร้าง น้ำหนักรดไก่วัดยา n a m a r ชวนบุรีท่านบอกเธเด็กเพิ่มเด็จหาหาที่วิเวกเหมือนแหล่ถิ่นอังทงกรันที่ว่แก้ปัญหาไหนนั้นแก้ไม่ได้ก็ต้องตัดเสีย กินข้าวไบในป่านกพยาแรงรเออพยาแรงมันมันมันไม่กินจัดเป็นกินจัดตายออพยาตัวเมียเออวันนี้จะจะได้กินเนื้อมอนุษย์พร้ต้องถูกข้า ผ่านไปยานเรื่องูปูถามมาเพราะอะไรอ่ะอแก้ปัญหาไม่ได้จริงคุยเรื่องปัญหาขึ้นมานะเวลาเช้าลาสีอยู่ที่ไหนเวลาเช้าอยู่ที่หน้าเที่ยงอยู่ที่อกเออรียกขำเลาที่อยู่ที่เท้าอย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้กันเท้าหมาพรมแพร่ ตงถูกแต่เศียนที่ลูปสาวมารับไว้เอาปานรับไว้แต่เศียนนี้ตกไปอากาศมันไปไหม้บนอากาศตกในมหาส ม, มุทรเป็นมันเกิดน้ามันแองตรองรักษาเขาปีเปลี่ยนกันทีหนึ่งนี่เขาเล่าเป็นิทานแล้วก็จำย่อ นี่ว่าถึงหนึ่งปัญหาเพราะงั้นพยาแรงไม่กินสัตว์ตายนี่เคยเห็นเป็นเด็กๆไปประเทศอินเดียมีมากกันเพราะว่าในประเทศอินเดียนั้น บางทีศพทิ้งไปอันนี้มันเนวงในแม่น้าคงคาบางถือว่าแม่แม่น้าคงคาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ล้างชำระบาปใตั้งสาธนานี้ให้เรา ชำระจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญธรรมชำระจิตใจมันสะอาดได้คนอื่นชำระได้เราไม่ได้อีก mm hmm. ทับสุธีอาสุธิปัจจิทังนันยูนันยังยวิโสทะเยจึงคิดอุบายว่าให้สวน เขาจะเจริญอายุเน่้ไปเจริญสติปัฏฐานที่เคยใช้ให้พิจารณาจิตเขารู้พิจารณากายของแท้จริงจิตมันแบบปรปากฏในจิตเห็นกายเห็นกายของเป็นเป่วยหน้าจริงพระรุ่งเช้าไป ชื่อยอมทีสว่างลูกชายอยู่ที่สงฆาหานใหญ่นี่เสนอยมทีพ่เอเอ้ยยมบุญยมอาจะมาจะหาพระมาสวดเลโยมมทีพ่ให้สวดออแล้วก็ช่วยหลายหลายคนนอย่างนี้ระรักษาไม่ไหวแน่ว่าอเตกิจฉามันแก้ไขไม่ได้ มันส่วนจะไปติดไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนบันเดือนนั้นผูพังแลว้วไม้มันผูแล้วเอาไม้ดีมาต่อก็ไม่ได้กายของเราก็เหมือนกันมันผูแลว้วอาหารจะไปฉันกันเลยของเรี้ยวๆไหลๆมันก็ฉั น, นอย่างคนเป็นโรคแมลงเลือดเส้นเลือดในตัวิตแมลงในตัววิตจนให้เลือดไหลออก บางท่านไปเห็นมาแล้วให้เรื่องอะไรบอกไม่เลยมันก็ไปมั น, นมทรุดนิสัยอเตกิจฉาแต่บุคคลเราเราสร้างบุญไว้มากเราสร้างบารามีสร้างความดีไว่มากบำเพ็ญทาบนบำเพ็ญศีลอย่างโยมบำเพ็ญเนตกรรมมาบารามีอย่างนี้เป็นต้นเนตรกรรมมาสังฆโป พยาบาดาสังกโปยิง่งชากับสังกโปให้ยังบุจาติเนคขมาสังกโปนะเนคขมาบารมีมมปัญญาบารมีเราศึกษาอ่านตำราที่ท่านรสชนาไว้ผู้สะดับรับฟังถ้าเรามีสติก็จะเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งที่ผ่านศูนย์พระสารรู้ความจริงๆของความเป็นจริง อะไรที لا, nicht, ่ว่าไม่จริงก็ไม่จริงไม่จริงก็ไม่จริงก็ไม่จริงนะจริงก็เป็นจริงนะาำว่าไม่จริงมันบาปเพราะว่าบาปเป็นจริงมันจริงมันจริงก็จริงเป็นบาปบุญเเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ประโยชน์แกเราตลอดหลายภพหลายชาติโน่นนะ ที่นาชาติหมดอายุไข่หมดหมดที้เลห์เป็นสมุเจเป็นหมดกันปัญหากันอนี้เมื่เราเข้าใจในวิธีการที่การปฏิบัติธรรมวิริยะลําพะวิริยะสามพจน์มีความเพียรมีหน้าที่ทําความดีทําความเพียรเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยก็เดินอีก ทำความดีอีกต่อไปแต่ว่าหยุดกันเหมือนกับเราตายเกิดใหม่ก็ทําความเพียรใหม่ตายก็หยุดเกิดก็ทำใหม่อีกในกรรมเพียรที่ว่าเรียวกว่าอาคติรียว่ามาหมายถมาเกิดอาคติจุติ อาการจุติจุติแปลว่าตายอุปาปฏิแปลว่าเกิดอาการจุติอุปาปฏิเกิดตายเกิตายเกิตา ย, ตายนั้นรูปปั้นนี้แสดงความเป็นจริงคือการใจในรูปปั้นนี้นความเป็นจริงในอาการสามสองนีเราถดมุ่นผ่านพ้นไป เราเข้าใจอย่างนี้ล้วก็อาใชยกายนีย้แต่เราก็ต้องทำความดีซึ่งเราทุกท่านต้อ ง, งมีหน้าที่ทำความดีให้กับตัวเราเองวิริยะวิริยะสำโพชงความเพียรปีติอิมกายเบาเราเห็นความดีเห็นลึกลงไ ป, ปีติอิมปัดสติสงบ ดับจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งดวงจานทร์ของที่เะารสุกไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆครับเอกกรตตาเฉยๆคือาา อ, อารมณ์ในใจน่ะ คือขันธรรมดาที่เรามีทุกข์เรามันตัวสวยครับตัวเวทนาแต่ผู้มาเจริญฌานคือดับสัญญาเวททุกข์มีเหมือนกับไม่มีสุขมีเหมือนกับไม่มีจึงว่าไม่ละละสุขละทุกข์เอกตาจิตมีอารมณ์เป็นกลาง ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเดินาจนานจนชำนาญก็เรวัดสีจะเห็นอริยสัจทั้งสี่ยกภูมิจิตของของผู้นั่นที่มำเป็นทางนั้น เห็นอะไรมันเกิดดังจรินจิมันเกิดขึ้นมาดับไปคือเข้าใจในสัจธรรมในรู ป, ปากายเป็นสัจธรรม ส, สัจธรรมธรรมคือความเป็นจริงตัวพุโทโธก็ตื่นรู้